2.5 าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านวงเล็บเปิด 18. ดตุลาคม2550นาในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสวงเล็บปิดสมาธิคือการพักผ่อนการเจริญปัญญาหนะักเหมือนการทำงานการทำงานกับการพักผ่อนไม่เหมือนกันนะอย่างถ้ามาถามเราว่าเปิดเครื่องหมายคำพูดผมนอนมากๆแล้วผมจะรวยไหมปิดเครื่องหมายคาพูดก็เหมือนถามว่าเปิดเครื่องหมายคพูด ผมทำสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญาไหมปิดเครื่องหมายคำพูดคำถามคู่นี้มีค่าเท่ากันเลยนอนมากๆแล้วผมจะรวยไหมไม่รวยต้องไปทํางานนะถึงจะมีโอกาสรวยเคยทําแต่ความสงบความนิ่งความเฉยซึมกระทืออยู่นั่นแล้วก็มีทิฏฐิมานะว่าต้องสงบอย่างนี้แหละแล้วจะบรรลุเองหารู้ไหมว่าอ า, าลาระดาบทกับอุทโขกดาบทเขาทํามาก่อนและไม่บรรลุอะไรเมื่อตายไปก็ไปเกิดในอรู ป, ปภูมิ พระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่เพราะไม่สามารถฟังธรรมได้สมาธิเป็นเครื่องมือที่เหมือนดาบสองคมส่วนใหญ่เอาสมาธิมาเชือดคอตัวเองตายพอมีสมาธิจิตก็สงบจิตก็สบายนั่งเมื่อไหร่สงบเมื่อนั้นทิจิมานะเลยเยอะคิดว่ากูเก่งบ้างคิดว่านั่งไปอย่างนี้แล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานบ้างไม่บรรลุหรอกนะมันคนละเรื่องกันเลย ครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนอย่างนั้นยังหลวงปู่มั่นหลวงพ่อไม่ทันท่านหรอกท่านมรณาภาพเมื่อปี2492เรายังไม่เกิดอีกสองสาปีถึงได้เกิดครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าหลวงปู่มั่นสอนไว้ว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดทำสมาธิมากเนิ่นช้าปิดเครื่องหมายคำพูดสอนอย่างนี้นะเครื่องหมายคำพูดเปิดคิดพิจารณามากฝุ่งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจําวันปิดเครื่องหมายคำพูด ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้มาตั้งเจ็ดิปสิปีมาแล้วนะมาถึงรุ่นนี้ก็ยังทำแต่สมาธิอีกแหละเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะแนวที่พวกเราฝึกนะแนวอื่นก็เหมือนกันอย่างคนดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจคนดูท้องพองยุบก็เพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้ารู้อิรยาบดีก็เพ่งมันทั้งตัวเลยอย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็เพ่งสายมือไว้ถ้าไม่เพ่งก็คิด เช่นคิดว่าขยับท่านี้แล้วก็ต้องมาท่านี้หรือคิดว่านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่พองนี่ยุบคิดเอากับเพ่งเอาเป็นศัตรูของการทำวิปัสสนาคิดเอาก็คือหลงไปในโลกของความคิดหลวงพ่อเรียกว่าเผลอไปหลงไปเพ่งไว้ก็คือบังคับตัวเองอยู่จัดเป็นความสุดโต่งสองข้างเราต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะแล้วละทิฐิมานะเสียมานะคือถือว่ากูเก่งกูแน่กูดี ทิฏก็คิดว่าทำอย่างนี้สิถูกทำอย่างนี้สิผิดมีแต่คำว่าในเครื่องหมายคำพูดทำตัณหาก็คืออยากพอลงมือปฏิบัติก็เฮ้อเมื่อไหร่จะสงบนี่อยากสงบเมื่อไหร่จะมีปัญญารู้แจ้งนี่อยากได้ปัญญาเมื่อไหร่จะได้มรรคผลนิพพานนี่อยากได้มรรคผลนิพพานเป็นการปฏิบัติ ด, ด้วยความอยากความอยากครอบงาจิตอย่างนี้ไม่มีวันได้หรอก ต้องให้รู้กายรู้ใจไปรู้เล่นเล่นรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ต่อเนื่องนานๆแต่ให้รู้บ่อยหน่อยถ้านานๆรู้ได้ทีหนึ่งมันน่าเกลียดเวลาหลงหลงเผลอๆน่ะมันน่าเกลียด